เ, เมื่อวันที่22ตุลาคมพศ2511ณวัดปา บ, า, าบ้านตัดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบมวยานสัมพันธ์โดเนื่องหน้าที่การงานของพระพุทธเจ้าที่จะเสาะแสวงหาผลประโยชน์ จากการบำเพ็ญที่เรียก่า ง, งานของโท่ามาเจกจ่ายบรรดาพุทธบริษัทเราทั้งหลายซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจ ง, งถึงทุกวันนับเป็นสิ่งที่ลกูกต้องการตลอดมานั่นคือผลได้แก่ความสุข เหตุคือการบำเพ็ญที่เรียกว่าการงานการกระทำทุกด้านถ้าเราจะเรียกเป็นแบบทั้งโลกก็เรียกว่างานแต่ทางศาสานาท่านเรียกว่าการบำเพ็ญวารกินก็คืองานนั่นเองงานภายนอกงานภายในงานภายนอกก็ดังที่เราได้ทำกันตลอดมาทั่วโลกต่างคนต่างมีงาน ใครจะอยู่ว่างๆไม่ได้เพราะสิ่งบังคับจะไม่ให้ว่างมีอยู่ภายในตัวของเราทุกคนเมื่อสิ่งมีสิ่งบังคับให้ต้องทำงานเราจำเป็นต้องทำแม้จะแสนขี้เกียจก็ต้องบบัังคมีสิ่งบังคับให้ทำอย่างนั้นนั้นโลกจึมีงานทั่วๆไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด แม้แต่เศรษสารก็ยังต้องทํางานค่ะคือหาอยู่หาชินเพื่อปากเพื่อท้องมีเรียกว่างานทั้งนั้นถ้าเราจะพูดว่างานแล้วเป็นงานไปทั้งไม่ว่างานภายนอกไม่ว่างานภายในไม่ว่างานเพื่อตที่อยู่ไม่ว่างานเพื่อส่วนร่างกายไม่ว่างานเพื่อใจเรียกว่างานทั้งนั้นแต่ทางศาสนาท่าน ให้ชื่อแปลออกไปว่าบาเพ็ญแต่พระพุทธเจ้าท่านบาเพ็ญเป็นตัวอย่างของพวกเรามาทุกๆพระองค์ต้องบาเพ็ญด้วยกัน <c oughs> สืบตอนเป็นลำดับกันมาถึงพระพุทธเจ้าของเราเพราะโลกนี้มีมืดกับแจ้งไม่มีขาดวักขาดตอนมีมืดกับแจ้งอย่างนี้อย่างนี้เป็นมาโดยตลอดสายเพราะฉะนั้น ที่ทันว่าพระพุทธเจ้ามีจํานวนไม่น้อยนั้นจึงเป็นความจริงเพราะมืดกับแจ้งมีอยู่นี้มาตั้งแต่เมื่อไหรไม่นี้ใครสามารถจะนับได้ว่าสี่วันสี่ปีสี่เดือนเพราะมีมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งสืบต่อกันมาเรื่อยๆความเป็นมาของโลกก็เป็นมาในทํานองเดียวกันจึงไม่ทราบว่ายืดยาวเท่าไหร่ในระยะการที่ผ่านมันี้เมื่อเป็นไปนั่น พระพุทธเจ้าก็ต้องมีมากอย่างที่ว่าพอองค์นี้ท่านผ่านไปองค์นั่นก็ผ่านมาแน่จะเป็นช่วงเวลานานก็ตามแต่ก็เหมือนไม่นานเพราะมุดกับอย่างนี้มีเป็นเวลามีเวลานานยิ่งกว่านั้นงานของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญในเบื้องต้นที่จะเป็น ใช่เหตุให้ในผลเป็นที่พึงพอพระไทัยสรองค์ก็กำหนดธนาปานสติคือลมหายใจค อ, อเพื่อให้จิตยับยัง้งมีอารมณ์เป็นที่ยึดของใจเพราะตามธรรมดาของใจต้องมีที่อาศัยเสมอจะอยู่โดยลำทังตนเองไม่ได้นอกจากใจที่มีความเพียงพอสำหรับตนโดยเฉพาะหรือโดยสมบุรณแล้วเท่านั้น จะไม่ต้องอาศัยอารมณ์อะไรเลยขอเป็นที่เพียงพอสําหรับตัวนั่นได้แก่ใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านท่านไม่ต้องอาศัยอะไรมาเป็นเครื่องสมเสริมและกดขี่บังคับแต่อาศัยธรรมชาติความรู้อันตั้งเดิมของท่านที่มีความมรรสุเป็นที่แล้วเท่านั้นเป็นที่พอสําหรับใจดวงนั้นแล้ว ปกติของสามัญชนเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะอยู่อย่างนั้นเสมอไปนอกจากเวลาหลับที่ในฝันหลับอย่างสนิทเท่านั้นแต่ความหลับกับความตื่นซึ่งไม่มีอารมณ์นั้นมีความผิดกันคือผู้ที่บริสุทธ มีความทราบทัพในความมือสุดของตนอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ที่หลับแม้จะเป็นความสบายแต่สติไม่มีในระยะนั้นมีความผิดแปลกกันอย่างนี้จิตที่มีอารมณ์เป็นเครื่องอาศัยนั่นแหลจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่พระพุทธเจ้าจะต้องแนะนำสั่งสอนอารมณ์ที่ดีคืออารมณ์แห่งธรรม เป็นเครื่องกำกับใจเพื่อให้ใจได้อาศัยอารมณ์ที่ดีนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นเครื่องปร ะ, ประยุงจิตใจให้มีความเยือกเย็ยนเป็นสุขภายในตัวเองไม่เหมือนอารมณ์ที่โกรงข้ามถ้าอารมณ์ที่เป็นข้าศึกมีจํานวนน้อยก็แสดงความทุกข์าเห็นเท่าที่อารมณ์ที่เป็นข้าศึกปรากฏอยู่กับใจยิ่งมีจํานวนมากเท่าไรก็ยิ่งจะทําใจให้เดือดร้อนเป็นทุกข์มากเท่านั้น ความเป็นทุกข์ถ้าตามธรรมดาของใจลุลลุนแล้วจะไม่มีอะไรทุกข์นอกจากจะทุกข์กับอารมณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กําหนดรู้เรื่องของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรบ้างการจะสังเกตต่อรู้ อ, <c oughs> อารมณ์ของตนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรบ้างนั้นต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาคือสติ ก, กับปัญญาเป็นสิ่งสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนั่งภาวนา นั่นคือการสังเกตเป็นเวลาที่เราจะสังเกตจอดรู้อารมณ์ของใจเราจะแสดงไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาถือเป็นอารมณ์สำหรับตัวบ้างเราจะทราบในระยะนั้นคือการนั่งสังเกตใจก็เช่นเดียวกับเรานั่งสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเราอาจจะทราบได้ชัดว่ามีสิ่งใดบ้างที่ผ่านสายตาเรามาในเวลาที่เรากาลังนั่งสังเกตการอยู่นั้น เรานั่งอยู่ในบ้านเงียบๆ เ, เราคอยสังเกตผู้คนที่จะเดินผ่านกันมาตามถนนนุ่นทางหน้าบ้านของเราเราย่อมเห็นได้ชัดในรเรื่องลู่ราว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรบ้างหากเราไม่สนใจแม้จะเดินไปวันยังคำ่ำผ่านไปผ่านมาอยู่ก็ไม่ทราบว่ามีใครบ้างเขาพูดกันเรื่องอะไรมีอารมณ์ของใจก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกันตามปกติใจต้องมีอารมณ์ประจําตนอยู่เสมอนอกจากเราไม่สังเกตเท่านั้นจึงจะไม่ทราบว่า ใจของตนมีอะไรเป็นอารมณ์จะเป็นอารมณ์ที่ดีหรือทั่วพอไม่สราบนะจีงจึงต้องอาศัยการภาวนาในเบื้องต้นรู้สึกจะมีการลำบากอยู่บ้างแต่จะลำบากแค่ไหนก็าา ต, ตามตรวทราบไว้เสมอว่าอารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้จะไม่มีอารมณ์ใดนอกเหนือไปจากธรรมะซึ่งจะเป็นเครื่องแก้ไขหรือทังหาร ให้สิ้นสุดลงไปได้หรือลดน้อยลงไปเป็นลาดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือในโลกภายในใจเรานี้มีคือเครื่องมืออันสำคัญเครื่องที่จะปราบหรือเครื่องที่จะแก้ไขอารมณ์ที่มีอยู่กับใจของเราหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมืมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือที่จะเป็นชัยชนะสาหรับผู้นามาแก้ไขหรือดับแทนตัวเองได้เป็นขั้นๆ ข, ข, ขึ้นไป เนื้อพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นผลมาแล้วทุกทุกบททุกๆุกกบาทแห่งธรรมะที่นํามาสอนสัตว์โลกว่ามีธรรมะเท่านี้ที่จะเป็นเครื่องกําจัดปัดเป่าสิ่งมัวหมองภายในใจของตนนับแต่ส่วนหยากจนกระทั่งถึงส่วนละเอียดจุกออกจากใจเสียได้ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเหือนหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เหมือนกับยาแก้โรคโรคเราเป็นโรคชนิดใดต้องพยายามหายามาให้เหมาะสมกับโรคที่จะหายและพยายามรับยาจะมีรสชาติประเภทใดก็าตามผู้เป็นโรคก็ต้องฝืนรับไม่เอาตามความพอใจของผนทาตุเดียบเราที่เป็นโรคภายในเกี่ยวกับเรื่องใจที่เรียกว่าโรคที่เรศัญหาอาสวะก็ต้องอาศัยหลักธรรมะ ความขี้เกียดเกิดขึ้นเราต้องหายาแก้ทันทีความขีดเกียดนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อมียาคือความขยันหมั่นเพียรและมีเหตุผลข้อ ม, มูลที่จะทําจัดความเกลียดข้า้นั้นออกได้ความเกลียดข้า้นั้นเกลียดข้า้นั้นจะฝืนตัวไปไปไม่ได้ถ้าเรานํามาแก้กันยกตัวอย่างถึง่ายๆพอที่จะเข้าใจเป็นนิสัยคนจับจดทําอะไรไม่จริงไม่จังก่อให้มีหลักความจริง มีเหตุนี้ผลตั้งไว้สําหรับตัวโดยเฉพาะการงานานั้นๆจะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นงานภายนอกงานภายในไม่ว่าจะเป็นงานหยากหรืองานละเอียดต้องมียาแก้กันอย่างนี้เสมอไปาหากไม่มียาแก้จะไปไม่รอดไม่ว่าโรคภายนอกคือส่วนร่างกายไม่ว่าโรคภายในคือโรคของใจโดยเฉพาะถ้าเราจะปล่อยไปตามอําเภอใจแล้วใจนั้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งแทกสิ่งอยู่ภายในจะต้องพยายามผลักดันสิ่งนั้นออกมาให้เรา ท, าทําตามอํานาจของเขาแล้วก็กลายเป็นความไม่ดีไม่งามผลก็เกิดความเดือดร้อนให้แก่เราเสมอไปนี่คือสิ่งที่ผลักดันออกมาจากภายในเพียงตามธรรมาชาติของใจร้วนแล้วจะไม่มีสิ่งใดผลักดันออกมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นส่วนดีไม่ว่าจะเป็นส่วนชั่ว พราะจิตที่บริสุทธิ์ล้วนวนแล้วจะไม่ปรากฏสมมุติทั้งสองประเภทคือดีกับชั่วนี้แสงอยู่แม้แต่น้อยท่านจึงเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นี่คือจิตล้วนวนจิตประเภทนี้ไม่มีอารมณ์อารมณ์ชนิดใดจะเข้าไปกดขี่บังคับหรือส่งเสริมให้ยิ่งให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นและให้เร็วตามยิ่งลงไปกว่านั้นอีกท่านนี่คือจิตที่ทอตัวคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นแ ต, <ๆ>แต่จิตของพวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น จึงต้องอาศัยยาคือธรรมะเป็นเครื่องดัดแปลงแก้ดัดแปงแก้ไขเสมอรำพัางคาำพํางคำอยากของเรานั้นจะหาประมาณไม่ได้เพราะมีสิ่งที่ไม่มีประมาณอยู่ภายในเป็นเครื่องแสดงออกอุดเสมอใจที่มีพิเรนตันหาอาชวะเราอยากเข้าใจว่าเป็นใจที่มีประมาณจะไม่มีประมาณเลยชั่วก็ชอบแต่ดีไม่ค่อยชอบทิ้งได้ที่ จะทําความต่ํามแก่ตนและผู้อื่นอิจชอบสิ่งนั้นนี่แหละคือมีสิ่งที่ขวางโลคขวางธรรมขวางตนและขวางคนอื่นอยู่ภายในใจนั้นเพราะฉะนั้นจึงแสดงตั้งแต่เรื่องอย่างนี้ออกมาให้เป็นที่ใหม่สบายใจตนเองทั้งทั้งที่เราทําด้วยความอยากของเราทําด้วยความพอใจแต่ผลที่ปรากฏขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่ขวางต่อความต้องการของเราแไป ก็เพรความอยากอันนี้มันเป็นสิ่งที่ขวางอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของมันแต่เราเข้าใจว่าเป็นของที่ดีแล้วทําไปตามความอยากนั้นจะผลจริงเป็นที่ขัดข้องหรือขีดขวาง ก, กันกับความต้องการของเราเรียกว่าไม่ตรงรอยกันได้คือเราต้องการดีอย่างนี้แต่เหตุผลที่จะให้เป็นไปทางดีนั่นเราจะทําอย่างไรตอนนี้เราไม่สนใจเสียแต่อยากจะทําอาตามความชอบใจของตน เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการานันสิ่งที่ต้องการนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเหตุผลที่พอเหมาะสมกันจึงจะเป็นไปได้แต่เราไม่ไคํานึงถึงเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรเสีย อ, อย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ย่อย่อนต่อเหตุผลในการรักษาตัวเมื่อเราไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรักษาตัวได้ก็ไม่พ้นจากการตาหนิตัวเองอยู่เรื่อยไปวันนี้เราก็ตําหนิตัวเองได้ วันหน้าเราก็จะต้องทำหนีได้เพราะเราสั่งสมสิ่งที่ทำหนีตนเองไว้เสมอโดยไม่ได้มีเหตุผลเป็นเครื่องพิสูจน์กันเลยจึงต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเสมอจะยากก็าตามลําบากก็าตามจะขี้เกียจหรือขยันเราต้องเร็งเหตุผลเพื่อสิ่งที่เรามุ่งหวังนั่นเสมอมีเรียกว่ายาแก้ที่เรศจะทนอยู่ไม่ได้ถ้าได้ยาแก้คือหลักธรรมะของพระพุิธเจ้าเข้าไปตัดแปลงแก้ไขแล้ว จะ ต, ต้องค่อยสลายลงไปเป็นน้ำหนักน้ำหนัก น, น้ำหักคนเราไม่ได้ดีมาตั้งแต่วันเกิดจิตไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์มาตั้งแต่วันเกิดแต่เป็นจิตที่โสมมไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคนเราจึงมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วบังสับสนปนกันอยู่ภายนาในจิตใจที่จะดีไปเรื่อยๆก็เพราะอาศัยการดัดแปลงตนด้วยหลักเหตุผลไปเรื่อยๆไม่ยอมปล่อยวางตัวเองนี่ชื่อว่าเป็นคนรักตน ไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าเหนือจิตใจในโลกนี้มีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเมื่อใจประกอบกับสิ่งใดคือส่วนร่างกายเป็นต้นร่างกายทจิตใจของเราทั้งหมดก็กลายเป็นของมีค่าขึ้นเพราะฉะนั้นร่างกายกับจิตใจจึงเป็นสมบัติอันล้นค่าในโลกนี้เอาตัวของเราเป็นผู้ประกันติดีสมบัติเงินทองเข้าของจะมีมากน้อยมีมาไว้สําหรับบํารุงบําเรอให้เราได้รับความสุข สมกับว่าเราเป็นเจ้าของของสมบัตินั้นแท้อย่าให้สมบัติเหล่านั้นมากลายเป็นค่าศึกศัตรูต่อเราเพราะความไม่รู้จักวิธีรักษาสมบัติเหล่านั้นและไม่รู้จักวิธีที่จะนําสมบัติเหล่านั้นมา บ, บารุงบําเรอตนให้มีความสุขเท่าที่ควรจะเป็นได้สมกับว่ามนุษย์มีความฉนะก่อนหานอกเหนือไปจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ได้เลยถ้าเป็นน้ําก็ถ้าเป็นฝั่งก็เหมือนฝั่งมหาสมุทร น้ำทะเลจะลึกจะมากเท่าไรไม่สามารถจะล้นฝังมหาสมุทรไปได้นี่หลักธรรมะก็เช่นกันไม่มีอะไรผิดแต่มีสิทธิ์เป็นสิ่งที่เนื้อหน้าเหนือกว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ภ า, า, า, า, ายในใจของเราทุกทุกสิ่งคือธรรมะโปรดได้นําธรรมะนี้เข้าไปแก้ไขจิตใจของเราดังที่ท่านทั้งหลายได้บําเพ็ญคุณงามความดีมาเป็นลาดับมีทานบา ร, รมีเป็นต้นซึ่งเป็นที่เด่น ในชนพุทธบริษัทเราเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทุงทุกๆท่านที่มาบําเพ็ญกุศลในครั้งนี้เป็นตัวอย่างนี่เกิดขึ้นมาจากอะไรถ้าพูดถึงเรื่องสมบัติแม้แต่ตะตางแดงหนึ่งเรากอสงวเนเชื้อได้เพราะเราหามาเพื่อเป็นสมบัติของเราเรามีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในสมบัติของเรามากน้อยแต่ทําไมจึงสามารถโริจาคทานออกได้เป็นจํานวนมากๆและโริจากตลอดมา ไม่เคยละเคยปล่อยวางเป็นลําดับมาจนกระทั่งถึงบงัดนี้และยังมีความมุ่งมั่นที่จะบําเพ็ญคุณงามความดีประเภทนี้ให้มากมูลขึ้นภายในตนเป็นลําดับจนกระทั่งถึงวันสุดท้ า, ายปาแดนที่จะไม่สามารถบําเพ็ญได้นุ่นแรงถึงจะหยุดลงนี่ก็เพราะอาศัยหลักธรรมะคือสติปัญญาพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่ควรไม่ควรถึงสิ่งที่ได้ผลมากให้ผลน้อย ถึงความเป็นอยู่และความพักผ้าใจไปถึงสิ่งที่เราจะควรอาศัยอันในว่าเป็นแนะอันใดว่าเป็นความสุขความสบายสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้รับความผาสุขในปัจจุบันนี้และพบหน้าฉาตหน้านอกจากบุญแล้วจะไม่มีอย่างใดอะไรบ้างที่จะทําให้เกิดบุญเกิดกุศลให้เป็นที่พึ่งอันพึงพอใจของเราอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นเหตุให้คิดถึงถึงเรื่องการให้ทาน เ ร, เรื่องการรักษาสีถึงการเจริญภาวนาไปเรื่อยๆซึ่งร่วนแล้วตั้งแต่เป็นกองกุศลทั้งนั้นอันจะเกิดแก่บุคคลผู้บำเพ็ญให้มีในตนมากน้อยดังนั้นทุกๆ ท, ท่านแม้จะมีความอะไรเสียดายสมบัติตามหลักธรรมชาติของจิตก็ตามแต่เมื่อมีหลักธรรมะเข้าไปแก้ไขกันคือมีเหตุผลเป็นที่พร้อมมูลอยู่ภายในใจแล้วไม่มีความเสียดายให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจ ให้เท่านี้แล้วยังไม่พอใจยังอยากจะให้ได้มั่งมากว่าน่นและอยากจะให้ตลอดไปกนหนึ่งว่าจะไม่มีใครเท่าใครเทียบเท่าในโลกนี้นี่คือใจของเราที่รับธรรมะเป็นเครื่องดัดแปลงให้เห็นเหตุเห็นผลไปตามหลักธรรมแล้วใจก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาเป็นนักเสียสละทานบรารมีไม่มีอัานคิดดูภาคพิสุ์ในเมืองไทยเรานี่จะมีประมาณสักเท่าไหร่ ไม่ใช่เป็นวัดวัดทั้งหลายก็ดีพระภิกษุสามเณรทั้งหลายก็ดีไม่ว่าเพียงแต่วัดและอยู่สถานที่ต่างๆก็ดีทีนี้เครื่องใช้ไม้ส้อยทุกอย่างเครื่องบริฐานของพระทุกๆองค์เมื่อบวชเข้ามาในศาสนาแล้วจะต้องอาศัยการร่มห่มที่อยู่อาศัยปัจใจการขบการฉันจากัทธาญาติโยมทั้งนั้น แล้วพระทั้งหลายยังอยู่ได้เป็นหน้จาจนกระทั่งถึงตัววันนี้ไม่ปรากฏว่ามีพระรูปใดบวชเข้ามาแล้วไม่มีสบงกีวร อ, อาหารการโขดฉันที่อยู่เทียบใัยขาดแทนไปจนดูไม่ได้แล้วต้องสึกออกมาเพราะไม่มีใครดูแลอย่างนี้ไม่เคยมีนอกจากจะเป็นพระทุศีลที่ไม่มีใครสนใจเท่านั้นเพราะเป็นผู้ที่หมดความหมายแล้วในความเป็นพระมีใครสามารถจะทำได้เพราะเราเป็นมนุษย์ต้องทราบดีครับ ชั่วเรื่องเรื่องชั่วของกันและกันนอกจากนั้นแล้วไม่มีที่ไหนที่ปรากฏว่าถ้าเรงจะมีความอยาขาดแคลนยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นเหมือนกันกันกบแม่เลยแม่จะเป็นผู้ไม่สนใจใข่ต่อสิ่งข้างหลายก็ตามแต่เป็นผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมอย่างจริงแม่จะมีความขาดเสริบกพ่องทลายก็ไม่สนใจในสิ่งภายนอกแต่สนใจในด้านธรรมะเพื่อความดุดพ้นโดยแท้เดียว ท่านผู้เหล่านี้ก็ยิ่งเป็นที่ได้รับความสนับสนุนจากศรัทธายาดูมเป็นอย่างยิ่งนี่จะเป็นขึ้นมาเพราะอะไรก็เป็นขึ้นมาเพราะตัวเองเป็นผู้ทำความดีความดีนั่นก็เป็นแสดงผลขึ้นมาให้รู้นี่จะไม่ต้องการก็มีผู้นำมาถวายอาศัยเป็นลำหนักลํานับไปที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พูดถึงเรื่องศรัทธายาดูนที่ได้ขาตูนอุดหนุนพระพุทธศาสนาให้เจ ร, ริญรุ่งเรืองมาเป็นลำหนัก ล้วนแล้วตั้งแต่อาศัยหลักธรรมะคือการประดับตรัฟังพินิพิจารณาในเหตุผลดีชั่วภานตนโดยควรแล้วก็ปฏิบัติตนดังที่ท่านทั้งหลายไดู้้สามาเสียสละบำเพ็ญสุ ง, งามความดีจากคาเจตนามีจำนวนมากและนอกจากนั้นยังมีสัทธาแก้วกะในพระพุทธศาสนา มีความมุ่งหวังอยากจะสับสับฟังอุบายคําสอนคําพระพุทธเจ้าเพื่อบําเพ็ญทั้งทานบารมีศีลบารมีและภาวนาเขาอีกเป็นสามชั้นโดยกันเป็นสามดังนั้นวันนี้เป็นอธิบายถึงเรื่องภาวนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายาทราบเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเบื้องต้นก็ได้ยกถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเจริญอนาปานสติเพื่อเป็นอารมณ์ของใจให้ใจได้อาศัยหลักเป็นที่ยึดซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้อง เรียกว่าสติปทานสี่ซึ่งเข้าในองค์ของอริยสัจอันเป็นทางพ้นทุกข์ล้วนๆเมื่อพระองค์ท่านได้บำเพ็ญพระองค์ถูกตามหลักของสัจธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติแล้วจิตก็เลยกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนโดยหลักธรรมที่ถูกต้องอันเป็นหนทางในหลักธรรมชาติจึงกลายเป็นพระพุทธทเจ้าขึ้นมาในโลกแล้วสอนสร้าโลกพระพุทธพระองค์พระพุทธองค์ก็ต้องนำหลักเหตุผลที่ได้ทรงดำเนินมาโดยถูกต้อง ดังนั้นธรรมะทุกบ์ทุกบาทที่สอนไว้จึงเรียกว่าสคขาตธรรมเป็นธรรมที่จับไม่ชอบแล้วดหดีด้วยผลอย่างต้มหมูและเป็นนิยานิขาดธรรมนำผู้ประพฤติธปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกประไาเป็นลำดับเช่นเดียวกันนี่เราก็เป็นผู้ที่ทรงธรรมะเป็นพุทธบริษัทคือเป็นลูกศิษย์พระคาถาคตที่ปรากฏเด่นในไรภพ คือโลกกรถานี้ไม่มีใครเสมอเหมือนได้ก็พยายามด ำ, ดำเนินตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าตามสเสด็จพระองค์ด้วยการให้ทางด้วยการรักษาสีด้วยการเจริญเมตตาภาวนาเป็นลำดับกำนับไปไม่ให้มีความประมาทในชีวิตจิตใจของตนซึ่งอาศัยลมหายใจเพียงเข้ากับออกเท่านั้นเป็นาทาให้มีความเป็นอยู่สำหรับตัวของเราหากเข้าแล้วไม่ออกก็หมดปัญหากันทันที เข้าออกแล้วไม่เข้าก็เป็นคนหมดความหมายเขาเรียกว่าคนตายบัดนี้ธรรมชาตินั้นยังไม่ถึงตัวของเราเพราะลมหายใจเป็นเครื่องสืบต่อและต้านทานความตายไว้เราจรึงพอมีชีวิตสืบมาในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่จึงไม่ควรประมาทเพราะชีวิตนี้เป็นของเล็กน้อยนิดเดียวขาดไปเพียงลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกท่านก็หมดปัญหาไปแล้วในระยะที่กําลังเข้ากัำลังออกนี่ เราจะได้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกำลังความสามารถของเราให้ใจของเราได้รับความสุขใจนี่แหลเป็นรากฐานของโลกของธรรมใจนี่แลคือนักของเกี่ยวในวัฏสงสารเกิดแล้วเกิดเราไม่มีดุจจั้งสักทีเช่นเดียวกับมืดกับแจ้งหากเราไม่แก้ไขสิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งแฝงอยู่ภายในธรรมชาติสือใจนั้นออกได้หมดแล้วจะต้องเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดไปแม้ใครจะปฏิเสธว่าการเกิด ในพบหน้าไม่มีก็าตามจะเชื่อก็าตามไม่เชื่อก่็ตามนี่คือเป็นกฎธรรมชาติของใจที่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่จะทําให้หมุนเวียนมีอยู่ภายในใจจึงไม่ขึ้นอยู่กับกฎใด น, นอกจากจะขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติของตนที่เป็นมาแล้วและเป็นอยู่กําลังเป็นอยู่ดนี้เท่านั้นจะเป็นไปนอนาคตขา้างหณะเมื่อเป็นเช่นนั้นเราต้องพยายามดัดแปลงจิตใจดวงนี้หากจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับโลกทั้งหลาย ก็ขอให้มีเครื่องสนับสนุนอันดีเป็นเครื่องพามาพาไปพาอยู่คือบุญกุศลแม้จะได้เกิดในภพนั้นๆอยู่ยังไม่ได้พ้นกว่าตามก็จะได้เกิดในสถานที่ดีค่าติที่เหมาะสมความสุขความสบายนึกสิ่งใดก็ปรากฏขึ้นมาเพราะเราได้สร้างเอาไวา้บุญกุศลนี้ไม่ไม่อยู่ห่างไกลจากใจให้ไปสู่สถานที่เหมาะสมตลอดไปจนกระทั่งถึงจุดสุดท้าย ที่เรียกว่าถึงที่แล้วบันไดไม่เกี่ยวกันเหมือนคนเดินทางไปถูงจุดต่างๆเมื่อถึงที่ต้องการแล้วทางก็หมดความหมายคนคนขึ้นบนบ้านบนเดือนเมื่อถึงบ้านถึงเดือนแล้วบันไดก็หมดความหมายจากกันไปเองโดยไม่ต้องไปแยกไแยกจากกันนี่ค่าบุญก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติสมมุติอันหนึ่งในทางฝ่ายดีเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเรา จนก็ทั่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วบุญนั่นก็เป็นเหมือนบันไดก็ปล่อยกันไปเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นามบรรณาภาัท rina ศกว่าบุญญะปาปะปะพิณบุคคลแปลว่าผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วคือว่าขาดว่าขาดตอนแต่แล้วทําไมบุญจึงต้องละก็เป็นของดีแล้วมีใเฉลี่ดีอยู่แต่อยู่ดีอยู่ในขั้นบันไดไม่ใช่ดีแค่ไม่ใช่ ด, ใชดีอันแค่จริงตามจุดที่เรามุ่งหมาย คือเราขึ้นบันไดจะเป็นบันไดดีขนาดไหนก็ตามเราไม่ต้องการจะอยู่กับบันไดนั้นแต่เราต้องการจะถึงจุดที่อยู่เช่นบนชล า, าหรือบนบ้านเราต้องการบนบ้านต่างหๆบนชล า, าต่างๆบุญจึงเป็นเพียงเครื่องสนับสนุนให้เราขึ้นมาถึงที่หนุนใจให้ถึงจุดจุดยอดได้แก่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์ล้วนวนแล้วคําว่าบุญซึ่งเป็นสมมุติอันหนึ่งนั้นแม้จะเป็นเครื่องพยุง ก็เมื่อถึงที่พยุงแล้วถึงที่จุดที่หมายแล้วความพยุงก็หมดปัญหาไปถ้าเทียบก็เหมือนกับพี่เลี้ยงคอยตามยังเด็กนั่นเองเมื่อเด็กสามารถรักษาตัวคุ้มแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่จําเป็น ม, ม, มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันท่านตรวจได้ทําความรู้สึกกับใจของเราให้ดีทั้งท่านอาจารย์ท่านแสดงอยู่ที่วัดท่านสินทองก่อนรู้สึกว่าเป็นที่จับใจมากท่านพูดถึงจุดที่หมายทีเดียว ทุกสิ่งทุกอย่างไปจัดใจท่านถ้าหากว่าใจดีแล้วสิ่งภายนอกก็ดีนี่ท่านพูดถูกต้องแม้ธรรมะละเอียดสุดยอดก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าใจได้ทําตัวให้หมดค่าศึกภายในตัวคือภายในกม็มีสิ่งที่จะผลักดันออกไปภายนอกจะอ่าเอื่อนเข้ามาได้อย่างไรเพราะสื่อภายในไม่มีเป็นเครื่องติดต่อกันภายนอกก็มีปัญหาใจเป็นผู้มีความบริสุทธิ์แล้ด้วยการชำระ รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มีอยู่เต็มโลกชาติจะไม่มีสิ่งใดสามารถอาจเครื่อมเข้าไปยุ่ยแยหรือทำลายปิดใจให้มีความรุ่มหลงและเดือดต้อนไปดวดเพราะใจหมดเชื่อแห่งความรุ่มหลงภายในใจนี่ธ น, นวมาบ่แห่งความสุขจะอยู่ที่ไหนก็ลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนเพราะวันคืนเดือนปีนั่นเป็นการเวลา ส่วนธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่ภายในใจนี้เรียกว่าอากาฮิโกเป็นของมีอยู่ประจำภายในใจไม่ขึ้นอยู่กับเวละอันนี้ไม่มีเวลาเรียกได้แต่เพียงว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่และสันทิิโกรู้อยู่กับของมีอยู่แห่งท่านผู้บริสุทธิ์การทันว่านิพานเที่ยงจะหมายถึงอะไร ทำาหหมายถึงใจที่เรียกว่าเป็นดวงอากาศิโกที่บริสุทธิ์ล้วนๆหนึ่งไม่มีอะไรที่จะหมายนี่แรกคือผนิพานแท้ธรรมะอนุปาทิเสสนิทานลอยภาระภาระคือขันธ์ทั้งห้าอันเป็นบ่อ ก, กังวลทีเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีสินใดที่เหลืออยู่สิ่งที่เหลือคือความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแลเป็นธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพาน ไม่มีสิ่งใดที่จะไปก่อขวนอยู่แล้วเพราะาธาตุขันเครื่องก่อขวนนี่หมดไปส่วนสอุปะรดิเศสนานิพาน์นั้นแม้จิตจะ <c oughs> จะเป็นธรรมชาติที่บริกจุดแล้วกว็ต า, ามส่วนาธาตุขันที่ได้เคยเป็นภาระมาดั้งเดิมตั้งแต่วันตื่นมาก็ต้องก็ต้องไปถึงวันหลายถึงจะหมดภาระการดูแลรักษาทุกดักต้องมีอยู่เป็นปร ะ, ประจาเช่นเดียวกับเร า, เราทั้งหลายนี้ ไม่ผิดกันระหว่างปุถุชนกับครับพิีนาสุขที่จะต้องปฏิบัติต่อกันมีลักษณะเช่นเดียวกันที่ผิดกันก็คือใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วแม้ธาตุขันจะแสดงอาการอย่างไรก็ตามท่านไม่มีความที่ตกมีกาเรเดือดร้อนหุนวายกับความแสดงดีและชั่วของธาตุขันแสดงความอาการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกความลํำบากต่างๆก็ตามท่านก็ทราบว่าขันแสดงตัวเช่นนั้นแต่ผู้รู้อันบริสุทธิ์นั้นไม่ได้แสดงไปด้วย อาการของธาตุจะแสดงขึ้นแง่ยในท่าใดรู้ไ้หมดและไม่ซไม่ซึมธาตุถึงกันด้วยรู้วิธีปฏิบัติต่อกันโดยตลอดแล้วก็ไม่ลำบากเมื่อชีวิตควรจะเป็นไปอยู่ก็หาสิ่งมาเรียวยารักษาไปเมื่อหาไม่แล้วไม่มีความสามารถจะรักษาได้ต่อไปแล้วก็ปล่อยลงไปกัาตตามสภาพเดิมดังที่ปัญญาได้พิจารณาไว้โดยละเอียดแล้ว ยิงไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องกังวลกับพัฒนาสนท่านที่บริสุทธิ์แล้วในความเป็นอยู่และการตายไปทั้งสองประเภทนี้จะไม่มีสิ่งใดมีน้ำหนักมากกว่ากันบรรดาท่านผู้มีความบริสุทธิ์ล้วนๆในทางใจแล้วที่ท่านจะทําให้มีน้ําหนักต่างกันก็เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ที่จะทําต่อประชาชนเมื่อมีชีวิตอยู่ประมาณเท่านั้นจะได้ประโยชน์ ประชาชนจะได้ประโยชน์จากท่านประมาณเท่านั้นนี่ท่านคำนวณไว้แล้วหากว่าควรจะเป็นประยุตแต่กลับให้เป็นของหาไม่ไปเสียอย่างนี้ประโยชน์ซึ่งควรจะได้ก็ต่อให้ผ่านไปอย่างนี้ไม่สมควรท่านก็เยียรักษาไป น, นี่หละที่จะทำให้เป็นน้ำหนักว่าควรจะยังอยู่ก่อนยังไม่ควรจะไปถ้าพูดตามหลักธรรมชาติของความมึดดุนร้วนและภายในกายของตน กับความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจะไม่มีปัญหาในในแง่ใดว่าจะมีความหนักเบาต่างกันในระหว่างความเป็นอยู่กับความตายไปเสียของท่านจะมีเท่ากันเพราะเหตุใดเพราะความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่นี้และไม่ได้ขึ้นอยู่กับความตายไปแต่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่ง ม, มีความสม่ำเสมออยู่ตลอดกาล ความเป็นอยู่นี่เป็นสภาพอันความตายไปเป็นสภาพอันเป็นสมมติอันหนึ่งทั้งๆสิ่ธาตสี่ดินน้ำลมไฟอันเดียวกันนั่นแหละแต่ก็มีความแตกต่างกันถ้าพิจารณาให้ถึงที่แล้วจะเป็นอย่างนั้นคือไม่มีสิ่งใดจะมีน้ำหนักเพราะจิตของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่แห่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสลายไปแห่งขัน แต่ขึ้นอยู่กับความพอตัวแล้วโดยไม่เกี่ยวข้องกับถิ่นใดมาเป็นเครื่องส่งเสริมและกดถวนี่คือธรรมชาติแท้อยู่โครงกลางนั้นไม่หนักในในการไปเสียไม่หนักในการให้อยู่เสียก่อนแต่อยู่ในหลักมัจจิมาที่เป็นหลักธรรมชาติคือจุดกลางแห่งความรู้อยู่ใช่ไความรู้ที่บริสุทธิ์บอกนั้น เนี่ยท่านเรียก ว, ว่าใจที่เป็นของล้นคาถ้าทําให้ล้นคาแล้วล้นค่าอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็รู้ใครจิติว่าไม่ดีก็ตามไม่หิวโหวยเอื้อมหยิบนู่นหยิบนี้ตามความเขา้าติดชินนินทาหรือตามความชนะเสริญคือพอตัวอยู่แล้วตลอดเวลาความชนะเสริญก็ดีความนินทาก็ดีจะนินทาทุกขณะก็ท่าไปทุกขณะ ที่เขาพูดออกมาให้ฟังแต่ใจไม่ติดเขาสนะเสริญก็ทราบว่าเขาสนะเสริญยราแต่ก็ไม่ติดคือพอแล้วไม่ทราบจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกฟังชิ น, นเรียกว่าพอถ้าไม่พอก็ต้องเอื้อมทันทีไม่ว่าจะเป็นความลินชา้าไม่ว่าจะเป็นความสนะเสริญต้องเอื้อมทันทีทีเดียวอืใจที่ อยู่ในระหว่างแห่งความหิวโหยกับอยู่ในระหว่างแห่งความพอตัวเดียวนั้นผิดกันในใจดวงนี้แต่ใจอันแท้จริงนั้นไม่ใช่หิวโหยไม่ใช่จะเป็นความรู้มุ่งดอน ๆ, นๆหากมีสิ่งอันหนึ่งซึ่งเป็นของไม่มีเมืองพออยู่กับใจดวงนั้นจึงแสดงออกมาแบบไม่มีเข็มมีแดงจะอยู่กับหัวใจใดไม่เป็นสุกทางนั้นทําให้ปวดแฝงอยู่เสมอ เหมือนน้ำที่ไม่มีหาความใสสะอาดไม่มีถูกกวนอยู่ตลอดเวลาด้วยตัวเองจากข้างนอกไม่มาเกี่ยวข้องภายในตัวขอ ง, งตอนเองก็ออกกว้างหาเลยยุ่งไปได้เรื่องวันหนึ่งวันหนึ่งจิตจริงดูด้วยเรื่องไปด้วยเรื่องตลอดเวลาเ <ME> ม <I> ื่อเป็นอย่างนั้นความสุขจริงไม่ค่อยมีที่จะเป็นเครื่องครองใจให้รับความสะดวกต่อมาเนี่ยการอบรมภาวนาก็เพื่อจะให้จิตของเรา แนบแน่ น, นลงไปสู่ความสงบเย็นภายในตัวเองแม้จะเป็นตัวของตัวชั่วขณะที่มีความสงบลงเท่านั้นแล้วก็จะได้ทราบชัดระหว่างแห่งจิตที่ไม่มีอารมณ์กับเวลาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นอารมณ์ดีทั่วกระตังเราจะเห็นความแตกจากกันในระหว่างแห่จิตที่มีอารมณ์กับไม่มีอารมณ์มาขอว่ควรมีความสึกต่างกันอย่างไรบ้างผู้ปฏิบัติจะทราบได้จากฝึกภาวนาถ้าจิตไม่มีเวลาสงบเลยก็จะ ไม่มีอะไรแปลกภายในตัวเองแต่ถ้าได้ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วเราจะเห็นความแปลกแปลกที่ปรากฏขึ้นในขณะที่สงบนั่นแหละว่าเป็นขณะที่สําคัญมากตลอดชีวิตที่ผ่านมาได้เห็นแล้วในขณะนี้ที่จิตมีความสงบนี้เป็นขณะที่สะดวกสบายเป็นสุขมากดังนั้นการภาวนาเพเพื่อจะให้รู้อย่างนี้ที่แรกก็ลําม่า ต่อไปก็มีความสงบลงไปได้ทานานไปนานไปเพราะการแก้ไขหรือดัดแปลงอยู่เสมออบรมเสมอก็จะมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยความสงบนั่นเลยกลายเป็นพื้นฐานของจิตให้เป็นความเย็นใจสบายนะเมื่อได้รับการอบรมการส่งเสริมให้อาหารที่ดีแก่จิตใจอยู่เสมอแล้วจะต้องมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับตจนกระทั่งถึงจเจริญสุดขีดดังที่ได้อธิบายผ่านมาแล้วทางต คือถึงขั้นที่พอตัวเป็นความบริสุทธิ์ยงลวนนั่นแหละทันเรียกว่าแก้วสาะรพัดนี้มีคุณค่าอยู่ภายในตัวเสร็จแล้อยู่ที่ไหนก็ไม่ลดคุณค่านะสบายทั้งมันทั้งคือเท่าเสียที่บ้านมาก็ถึงหมากจนกว่าถึเวลาจึงขอดิจิตลงควา้